ทำไมพวกเราจึางต้องมาวัดกันที่วัดมีอะไรที่ที่อื่นไม่มีที่วัดมีที่พึ่งทางใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐผู้มีคุณค่ามีประโยชน์ ต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของพวกเรานอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางใจได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดับความทุกข์ทางใจของพวกเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจของพวกเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญ เป็นรูปเสียงเกลียนโลดโผดพภาชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ของใจได้นอกจากไม่ดับแล้วยังทำให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นผู้ใหญ่ผู้โต เป็นพระมหาจากักรพัฒน์เป็นพระมหาราชาเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆเป็นนายพลนายพันนายร้อยนายหมื่นหรือจะได้รับเรื่องวันเชิดชูได้รับการยกย่องสรรเสริญต่างๆหรือมี รูปเสียงกิจลรพโพฏภะชนิดต่างๆมาให้เสพสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เลยแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะดับความทุกข์ทางใจได้เราจึงต้องมาวัดกันมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราเพราะถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์จะหายไปหมดด้วยอํานาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราต้องเป็นผู้ที่ น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนยารักษาโรคทางร่างกายเวลาที่เราเป็นโรคภัยไ ข, ไข้เจ็บเราก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาหมอก็สั่งให้รับประทานยาถ้าเรารับยามาแล้วเราไม่รับประทาน ยาก็ไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ภายในร่างกายให้หายไปได้เราจึงต้องฟังเชื่อฟังหมอหมอสั่งให้รับประทานยาวันล ะ, ะกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดเราก็ต้องรับประทานตามที่หมอสั่งพอเรารับประทานตามที่หมอสั่งแล้ว ยาก็เข้าไปสู่ร่างกายแล้วยาก็จะได้ทำงานทำหน้าที่ของยาไปรักษาโรคภยัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายให้หายไปใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายความทุกข์ของใจก็คือโรคของใจนี้เองความไม่สบายใจ เ, เวลาร่างกาย เจ็บไข้ลายเปื่อยเราก็เรียกว่าร่างกายไม่สบายเวลาใจเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจเราก็เรียกว่าเป็นความไม่สบายใจเป็นโรคของใจใจทุกข์เนี่ยใจก็ต้องใจก็ต้องมีมียารักษา ถึงจะหายทุกได้ยาที่จะรักษาทุกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองการที่เราจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจนี้ก็มีขั้นตอนอยู่สามขั้นตอนด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้พวกเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้รักษาโรคของใจให้หายไปกำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปวิธีสามขั้นตอนวิธีที่หนึ่งก็เรียกว่าปริยัต คือศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเหมือนขั้นต้นก็ไปหาหมอไปขอรับยามาจากหมอรับคําสั่งมาจากหมอหมอให้ยามาแล้วหมอก็สั่งว่าให้รับประทานยาครั้งลกี่ เม็ดวันละกี่ครั้งพอเราได้รับยามาได้รับคำสั่งจากหมอมาเราก็ปฏิบัติตามที่หมอสั่งพอเราได้ศึกษาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รับคำสั่งจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกให้เราปฏิบัติธรรม เราก็นำธรรมที่เราได้รับคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนเหมือนคนไข้ที่เชื่อฟังหมอปฏิบัติตามคำสั่งของหมออย่างเคร่งครัดหมอบอกให้รับประทานครั้งละสองเม็ดก็ต้องรับประทานครั้งละสองเม็ดอย่ารับประทาน เม็ดเดียวหรืออย่ารับประทานสามเม็ดหรือสี่เม็ดหมอบอกให้รับประทานขรั้งละวันละสี่ครั้งสามเวลาหลังอาหารและก่อนนอนก็ต้องทําตามที่หมอสั่งไม่ไปรับประทานอาหารก่อนไม่รับประทานยาก่อนรับประทานอาหารและไม่รับ ประทานตามตามที่เราต้องการนึกอยากจะรับประทานยาเมื่อไหร่ก็รับประทา น, เ, นเวลาไม่อยากจะรับประทานก็ไม่รับประทานยาถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไม่เชื่อฟังคําสั่งของหมอเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ทรงสอนให้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเดี๋ยวปฏิเวศคือผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาผลของการปฏิบัติคืออะไรก็คือการดับของความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจก็จะค่อยๆดับไปตามลำดับของกำลังของยาที่รับประทานเข้าไปของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราน้อมเข้าสู่ใจเหมือนกับเหมือนกับร่างกายพอได้รับประทานยาอาการเจ็บต่างๆของร่างกายก็จะค่อยๆบรรเทาลงไม่ได้หายไปแบบปุ๊บปับ๊บ พอรับประทานยาเม็ดหนึ่งแล้วก็จะหายไปทันทีก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆตามที่หมอสั่งแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็หายหมดสิ้นไปการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างถูกต้อง เป็นไปตามคำสั่งคำสอนทุกประการใจก็จะค่อยๆหมดหลุดพ้นจากความทุกไปตามลำดับและหลุดพ้นไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะมีตัวอย่างของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกเหล่านี้แล้วจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านหล่านั้นก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เราสวดสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโคสาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความดับของความทุกข์ปฏิบัติชอบ นี่คือผลที่จะเกิดตามมาคือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินี่ขั้นแรกเราจึงต้องมาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านปฏิบัติตนอย่างไร แล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่างไรแล้วก็ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้มีแบบฉบับมีตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนสมัยนี้เวลาที่เขาขายสินค้าอะไรนี้ เขามักจะเอาคนที่ใช้สินค้านี้มาโฆษณามายืนยันคนที่เขาใช้สินค้าชนิดนี้แล้วเขาได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมาอะบอกว่าเนี่ยสินค้าที่เขาขายนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้พระอริยสงสาววก็เหมือนกับผู้ที่ได้รับการรักษาโรค ทางใจจากพระพุทธเจ้าจนความทุกข์ทางใจนี้หายหมดสิ้นไปจากใจพระอริยสงสารวกเหล่านี้ท่านก็จะมาเป็นผู้รับประกันคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ไม่เป็นโมฆะอย่างแน่นอนเป็นเหตุเป็นผลมีทั้งเหตุและมีทั้งผลถ้าปฏิบัติ เหตุได้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาดัางนั้นเราจรึงต้องมาศึกษากันก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านมีคุณค่ามีมีคุณค่ามีประโยชน์กับเราอย่างไรทำไมเราจรึงต้องนับถือกราบไหว้บูชาานรม ถ้าไม่ศึกษาเราก็จะหลงผิดได้เช่นคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาจะไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าที่จะมาเสกมาเป่าให้พวกเราได้สิ่งต่างๆที่พวกเราอยากได้กันอยากได้เงินทองก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้ตําแหน่งอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไปกราบขอจากพระพุทธเจ้าอยากได้สามีอยากได้ภรรยาก็ไปกราบขอจากพระพุทธเจ้าคืออยากได้อะไรถ้าหาเองไม่ได้ก็เลยต้องไปพึ่งพระพุทธเจ้ากันก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่จะสามารถให้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กัน ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็จะไม่ได้ดังใจอย่างก็จะไม่ก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้พอไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้จะให้อะไรกับเราได้จะไม่สามารถให้อะไรกับเราได้พวกที่ไปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแบบงมงายจึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราได้มาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ให้อะไรเราได้บ้างและเราก็จะได้รับสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับเราได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับเราไม่ได้เราก็จะไม่ต้องไปขอจากพระพุทธเจ้าให้เสียเวลาเปล่าๆขอไปก็ไม่ได้อยู่ดี ได้ก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าให้กับเรามันเป็นเหตุของมันเป็นเรื่องของเหตุของผลของเวลาที่เราจะได้เวลาที่เราจะได้มันก็ได้เวลาที่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้ดนั้นเราจึงต้องมาศึกษาเรียกว่าปริยัติปริยัติแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะเกิดปฏิเวทคือเกิด ผลของการปฏิบัติตามมาอันนี้เราก็มาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้านี้มีอะไรโดยสังเขป พ, พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละเกิดมาก็เป็นเด็กทารกเองแต่มีความวิเศษที่ไม่เหมือนคนทั่วไปมีสติปัญญาที่แก่กล้า ที่ติดมากับใจสติปัญญานี้อยู่ในใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากสติปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มีพลังมากเวลาคลอดออกมาสามารถเดินได้เจ็ดเก้าเลยนี่คือกำลังของสติปัญญาที่จะทําให้เด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆนี้ลุกขึ้นมาเดินได้ อันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรเพียงแต่ว่ามันนานๆานจะมีสักครั้งหนึ่งก็เลยทำให้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปแต่กำลังของสติปัญญานี่แหละที่จะทำให้สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็น ความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่งคลอดออกมาจากท้องพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้านี้มาเกิดใน ส, สกุลของกษัตริย์พ่อเป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นเจ้าชายมีชื่อว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากที่คลอดได้เจ็ดวันพระพุทธมารดาก็จากไป แม่ของเจ้าใายสิทธัตถะก็เสียชีวิตไปก็เลยให้น้องสาวของแม่เป็นแม่เลี้ยงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าต่อและในเจ็ดวันหลังจากที่ประสูติพระราชบิดาก็เรียกโหราจาร์หมอดูมาทำนายดวงชะตาของพระพุทธเจ้าว่าโตขึ้นแล้วจะได้เป็นอะไร ก็มีโหราจาร์อยู่หลายรูปด้วยกันได้ทำนายว่ามีสองทางด้วยกันพระพุทธเจ้านี้เวลาโตขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะได้เป็นมหาจากักรพัทเนีถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ามีโหราจาร์อยู่รูปเดียวเท่านั้นที่ทำนายไม่เหมือนกับโหราจาร์รูปอื่น คือท่านทำนายว่าจะต้องออกบวชและเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวหลังจากที่พระราชบิดาได้ยินคำทำนายของโหราจารย์ทั้งหลายแล้วก็เลยพยายามที่จะปกป้องเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่ให้ไปเห็นสิ่งที่จะทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะต้องเสียใจทุกข์ใจ เพราะกลัวว่าจะออกบวชก็เลยให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่แต่ในวังไม่ให้ออกไปนอกวังให้เอาสิ่งที่ดีๆต่างๆเข้าไปในวังเพื่อให้ความสุขแก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเอาคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคนหนุ่มคนสาวคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี เอาความสุข ต, ต่างๆเข้าไปในวังให้เจ้าชายเศรษฐาเพลิดเพลินกับการอยู่ชีวิตของในวังเพื่อจะได้อยู่ในวังและจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิต่อไปแต่พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายเศรษถาก็เป็นคนที่เหมือนคนทั่วไปเมื่ออยู่ในวังก็อยากจะรู้ว่าข้างนอกวังมีอะไรบ้าง ไม่เคยได้ออกไปดูและพระราชบิดาก็ห้ามไม่ให้ออกไปแต่ความอยากรู้อยากเห็นจึงทําให้พระองค์ต้องอหนีออกไปดูแอบออกไปดูโดยให้มีมหาเล็กพาไปพอออกไปนอกวังก็ได้เห็นภาพที่ไม่เหมือนกับภาพที่ในวังที่พระราชบิดาให้สร้างขึ้นมา ไปเห็นภาพของชีวิตที่แท้จริงก็ทรงตกใจไปเห็นภาพของคนแก่ภาพของคนเจ็บภาพของคนตายไปเห็นภาพของนักบวชก็เลยสงสัยว่าคนต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้กันเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ในวังเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวคนแข็งแรงคนไม่เจ็บไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย คนที่สนุกสนานล่าแรงไม่มีใครร้องห้ไม่มีใครใใคร้องอดควรครางด้วยความเจ็บปวดทางร่างกายพอมาเห็นคนแก่ก็เห็นคนแก่ที่ไม่แข็งแรงที่ไม่น่าดูรูปร่างหน้าตาก็ไม่น่าดูผมก็ขาวหนังก็เหี่ยวยน่นหนังก็ค่อมเดินไปก็ร้อง โอยล้องโอยด้วยความเจ็บปวดของร่างกายเอแล้วไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ปวด่วยนอนอยู่บนเตียงข้างหน้าบ้านก็ร้องอดควรครางด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เห็นคนเขาแบกศพเพื่อนําเอาไปทํากำชาปนักกิจก็เลยทําให้พระองค์นี้ทรงตกพระทัยตกใจ และยิ่งทราบว่าต่อไปพระ อ, องค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้พระ อ, องค์ก็จะต้องเป็นคนแก่พระ อ, องค์ก็ต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระ อ, องค์ก็จะต้องเป็นคนตายจึงทําให้พระ อ, องค์เกิดความกลัวเป็นอย่างมากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยทําให้พระ อ, องค์ไม่สบายใจ แล้วก็ยังไปเห็นนักบวชก็ถามมหาสเรีกว่านักบวชนี้เขาทำอะไรก็ได้ทราบว่าเป็นพวกที่เขาจะหาวิธีที่จะทำให้ตัวเขาไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพระองค์ก็เลยมีความหวังขึ้นมาว่ามีโอกาสที่เราจะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้ถ้าเราออกบวช ก็เลยพอได้มีโอกาสพออายุได้ยี่สิบเก้าปีคืนที่พระมเหสีทอดพระราชโอรสพระองค์ก็ตัดสินพระทัยว่าจะต้องหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเพราะถ้าไม่หนีก็ไปไม่ได้จะไม่มีใครให้ไปแม้แต่เพียงให้ออกไปเที่ยวยังไม่ให้ออกไปเลยแล้วจะให้ไปแบบไม่กลับไปสับแบบสะละราชสมบัตินี้ ย่ำไม่มีทางที่จะเป็นไปได้พระองค์เลยไม่ต้องจึงไม่ต้องลาไม่ไปบอกลาไม่ไปบอกใครให้รู้ไม่ไปขออนุญาต จ, จากพระราชบิดาเพราะรู้ว่าขอก็ไม่ได้ไปอยู่ก็ทุกข์ใจถึงแม้ว่าจะอยู่ถ้ำกลางราบยศสรรเสริญสุขของพระราชโอรสก็ตามแต่พระทัยของพระองค์นั้นไม่สุขเสียแล้ว หลังจากที่ได้เห็นภาพของคนแก่คนเจ็บคนตายภาพของนักบวชจึงทาให้พระ อ, องค์ต้องตัดสินพระทยัยหนีออกจากวังไปเพื่อที่จะได้ไปแสวงหาวิธีดับความทุกข์ใจวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอพระ อ, องค์ก็เลยต้องหนีออกไปคืนนั้นไปตัวเปล่าๆมีม้า ขี่ไปถึงเขตของพระราชาพราอาณาจักรแล้วก็ลงปล่อยให้เขาเอาม้ากลับคืนไปแล้วก็เดินไปไปเป็นนักบวชระหว่างทางก็สวนกับขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าอันสวยงามของเจ้าชายศรีธะก็อยากได้ก็อก็เลยขอเปลี่ยนขอแลกกันแลกเอาเสื้อผ้าของขอทาน กับเสื้อผ้าของพระราชโอรสคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็ทรงยินดีเพราะพระองค์จะไปเป็นนักบวชแล้วแล้วพระองค์ก็เห็นนักบวชเขาก็นุ่งห่มแบบขอทานก็ได้ดีใจได้เครื่องนุ่งห่มที่ทรงปรารถนาเพื่อคนจะได้ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสก็เลยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของพระองค์ให้กับขอทานไป แล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงไปศึกษาหาครูบาอาจารย์ศึกษาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่พระ อ, องค์ได้ทรงไปศึกษาด้วยก็รู้วิธีการทำให้ความทุกข์หายไปได้ชั่วคราว แต่ไม่สามารถทําให้ความทุกข์หายไปได้ตลอดเวลา<ม>วิธีที่ทําให้ความทุกข์หายไปชั่วคราวก็คือเวลาเข้าไปในฌานขั้นต่างๆเวลาเข้าสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบใจก็จะหายทุกข์หายจากความทุกข์ต่างๆเพราะตอนนั้นใจหยุดคิดหยุดอยากแต่พอออกมาจากสมาธิใจก็เริ่มคิด พอคิดแล้วก็เกิดความอยากพอคิดถึงร่างกายก็อยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายพอเกิดความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็คือความอยากนี่เองความอยากที่เกิดจากความคิดเนี่ยถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าทำยังไง ไม่ให้ทุกเวลาที่ออกมาจากสมาธิเวลาที่มาเห็นความแก่ความเจ็บความตายทําไมจะต้องทุกข์กัน <Evet. S 1> ไม่มีใครรู้พระองค์ก็ไม่รู้ <Evet. S 1> ก็ต้องส่งค้นคว้าหาวิธีลองผิดลองถูกอยู่ตอนในที่สุดก็ส่งค้นพบว่าเกิดจากความอยากนี่เองพอคิดถึงร่างกายก็ไม่อยากจะให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตาย พอเกิดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาเวลาเข้าสมาธิมันไม่ได้คิดมันไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจึงไม่ทุกข์นะพระองค์ก็เลยทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากอะไรเลยถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป วิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องใช้ความจริงมาสอนใจความจริงคืออะไรก็คือว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้มันไม่ใช่ใจมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟมันมาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยร่างกายเรานี้ทำด้วยอะไรก็ทำด้วยดินมาจาก ที่มาทางอาหารนี่เองข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์ก็มาจากดิน mm hmm. เออเากินเข้าไปเราก็เอาดินเอาธาตุดินเข้าไปในร่างกายธาตุน้ำก็คือน้ำต่างๆที่เราดื่มเข้าไปธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าไปธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงพระอาทิตย์นี่ก็เป็นธาตุไฟเออ มันจึงทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งร่างกายก็จะเติบโตไม่ได้ขาดธาตุลมก็ตายทันทีถ้าขาดธาตุน้ำก็ไม่เกินเจ็ดวันก็ตายถ้าขาดธาตุดินก็อาจจะเดือนสองเดือนถ้าขาดธาตุไฟก็จะหนาวตายสรุปแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวพระองค์เองตัวพระองค์คือใจผู้รู้ผู้คิดไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ไปห้ามเขาไม่ได้ห้าไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่าทุกข์ทางใจทุกที่ จะเรียกว่าทุกในอริยสัจสีนั่นเองทุกในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงตัดเจริญทรงค้นพบอริยสัจสี่เกิดทุกสมุทัยนิโรธมรรคความจริงสี่ประการด้วยกันว่าความทุกข์ใจของพระพุทธเจ้านี้เกิดจากความอยากของพระพุทธเจ้าเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เลยทําให้ต้องทุกข์ใจ แต่พอใช้ญราพิจารณาความจริงว่าทำไงกับร่างกายดีทำให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าก็พิจารณาเห็นว่าทำไม่ได้พอร่างกายนี้เป็นของดินน้าลมไฟไปสั่งดินน้าลมไฟให้ทำตามคำสั่งไม่ได้เหมือนเราสั่งฟ้าเราไม่สามารถสั่งดินฟ้าอากาศให้ทําตามคำสั่งของเราได้ สั่งให้ฝนตกไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้สั่งให้แดดออกไม่ได้มันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือยอมรับความจริงหยุดอยากอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆพอเห็นว่าอยากไปก็ทุก ก็ไม่อยากดีกว่าอยู่เฉยๆทําใจเฉยๆปล่อยวางพอปล่อยวางความทุกข์ใจก็หายไปทีนี้เวลาเห็นความแก่เวลาแก่ก็ไม่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกเวลาตายก็ไม่ทุกพระพุทธเจ้าก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์พอรู้เหตุของความทุกข์ว่าคือความอยากรู้เหตุที่จะกําจัดความทุกข์ก็คือความจริง ความจริงก็คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายไม่เที่ยงจะให้ร่างกายเที่ยงไม่ได้ร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต้องปล่อยวางต้องให้ร่างกายปล่อยไม่ปล่อยมันก็ต้องแก่เจ็บตายแต่ปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยแล้วทุกข์อุปทาน ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราก็เลยอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราไปยึดไปติดให้มันอยู่กับเราไม่ได้มันจะต้องไปถ้าไปยึดก็จะอยากให้มันไม่ไปพออยากให้มันไม่ไปก็จะทุกข์ก็เลยต้องหยุดความอยากต้องปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน พอทำได้พระองค์ก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้หลุดพ้นแล้วทีนี้ก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนสอนวิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติก็สอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมรรควิธีที่จะทำให้ใจเห็นความจริง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามให้เป็นไปตามความอยากของตนได้ถ้ามีความอยากก็จะต้องทุกข์ทรมานใจถ้ามีมรรคแค่มีความสามารถที่จะสอนใจให้เห็นความจริง ตอนใจใหป้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปครอบครองได้ใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป <Yeah. S 1> ก็เลยมาเป็นหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยนําเอาความรู้นี้เผยแผ่สั่งสอนคําสั่งสอนของพระ <Yeah. S 1> เจ้าเราก็เรียกว่าพระธรรมครําสอนพร ะ, ะ, ะ, ะธรรมคาสอนก็สอนให้พวกเรารู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกันอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟโลกนี้เป็นโลกของดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้จากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆ มีชีวิตนี้มีมาได้เพราะการรวมตัวของธาตุสั้งสีคือดินน้ําลมไฟเมื่อรวมตัวกันแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตเพราะมันจะไม่อยู่เฉยเฉยมันไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยรวมตัวแล้วก็จะเจริญเติบโตพอเจริญเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มเสื่อมเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยและในที่สุดมันก็จะล่มสลายไป แล้วดินน้ำลมไฟที่มารวมกันก็จะแยกทางกันไปกลับไปสู่ที่เดิมของเขาธาตุน้ำก็กลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ธาตุลมธาตุดินก็กลับไปสู่ธาตุดินธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟหายไปหมดเนื้อกายของเราเกิดมาออกจากท้องแม่มาก็ค่อยจเจริญเติบโตที่ละเล็กเทียบน้อย ด้วยการเอาดินน้ำนมไส้เข้าไปในร่างกายแม่ก้อนน้ำป้อนดินในนมนี่ก็มีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุน้ำผสมกันกินข้าเดิมเข้าไปแล้วก็ร่างกายก็ค่อยเจริญเติบโ ต, ตมีอาการเอาธาตุทั้งสี่มาเป็นดินมาเป็นอาการสาสองมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน แล้วก็ให้มันจเจริญเติบโ ต, ตใหญ่ขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจอนนั้นที่สุดก็โตเป็นคนผู้ใหญ่ขึ้นมาพอถึงวัยการคนก็เป็นการจเจริญที่สูงสุดเต็มที่แล้วไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญได้มากกว่านี้ถ้าก็เริ่มจะนับถอยหลังเริ่มเสื่อมเริ่มแยกตัวกันเริ่มทำให้ร่างกายแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วพอถึงอายุ 80-90 ก็บถึงวาระสุดท้ายของการรวมตัวของธาตุสี่ธาตุสี่บอกว่าบายบายขอแยกทางกันอยู่กันมานานพอแล้วขณานี้อยากจะกลับบ้านเก่า้าตลมบอกขอไปก่อนแล้วไม่เข้าไปในร่างกายต่อไปพอไม่มีลมเข้าลมออกร่างกายก็หยุดทำงาน อลมออกไปแล้วไฟก็ตามออกไปแล้น้ำก็ตามออกมาเหลือให้เหลืออยู่แต่ธาตุดินไปกลายเป็นดินไป น, นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้กันวิธีที่เราจะศึกษาและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราต้องเปลี่ยนสถานภาพของการกินอยู่ของเราที่ตอนนี้เรา เรากินอยู่แบบผู้คลองเรือนต้องหาเงินต้องใช้เงินเพื่อใช้เงินนี้มาส่วนหนึ่งก็มาดูแลเลี้ยงดูชีวิตคือร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็เอามาซื้อความสุขต่างๆเพื่อมาดับความทุกข์ใจซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจต้องเลิกใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อความสุขเพื่อมาดับความทุกข์ใจ เพราะเป็นการดับความทุกข์ใจชั่วคราวเวลาเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของก็เกิดความสุขใจเวลาไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกันไปกินไปเดิมไปดูไปฟังกันความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่มันไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจที่ถูกต้อง ถ้าเป็นการรักษาโรคทางร่างกายก็เพียงแต่บรรเทาอาการไว้ชั่วคราวปวดหัวก็กินยาแก้ปวดอาการปวดก็ลดไปชั่วคราวพอฤทธิ์ของยาปวดหมดก็ต้องกินอีกเพราะมันยังปวดอยู่เพราะต้นเหตุของการปวดหัวมันไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปชำระนั่นเองถ้าอยากจะชำระต้นเหตุของการปวดหัวก็ต้องไปให้หมอเอ ตรวจดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่รักษาได้หรือไม่รักษาไม่ได้ถ้าเป็นมะเร็งเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องดูว่าผ่าได้หรือเปล่าเอามันออกมาได้หรือเปล่าเอามาออกแล้วมันจะย้อนกลับคืนมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้หมอเขารักษาไปโรคปวดหัวมันถึงอาจจะหายได้หรืออาจจะไม่หายก็ได้ถ้าไม่หายก็ต้องตายะ ชันใดความทุกข์ใจก็เหมือนกันความทุกข์ใจนี้จะไม่ดับด้วยการที่เราเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆไปเที่ยวไปชอปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงความทุกข์ใจมันก็ถูกกลบไว้เหมือนกับยาแก้ปวดที่ไปกดความเจ็บความปวดของร่างกายไว้ชั่วคราวพอลิ์ของยาแก้ปวดหมดความปวดมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ พอไปเที่ยวเสร็จใช้เงินหมดกลับมาบ้านมันก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกตอนที่ก่อนออกจากบ้านพอกลับมาที่บ้านเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาเหมือนเดิมอันนี้เราต้องเลิกใช้วิธีดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินหาเงินก็หาไว้เพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายยังต้องใช้ร่างกายมาปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะ พ้นจากความทุกข์เรายังต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเราจะได้ปฏิบัติทำได้ <Yeah. S 1> เราก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆนี้เอาไปทำบุญแทนถ้าเรามีเหลือเหลือจากการที่เราจะเอาไว้ใช้จ่ายกับสิ่งที่จาเป็นคือไม่ให้เอาเงินไปใช้ซื้อความสุขมาดับความทุกข์ถ้าอยากจะใช้เงินดับความทุกข์ต้องดับด้วยการทาบุญ เพราะการทำบุญนี้จะดับความทุกข์ของใจได้ในระดับหนึ่งทำให้ใจเบาขึ้นสบายขึ้นลดความทุกข์ได้แต่ไม่หมดเท่านั้นเองแต่เป็นขั้นขั้นต้นที่เราจะต้องทำก่อนถ้าเรายังทำขั้นอื่นไม่ได้ก็ใช้การเอาเงินนี้มาดับความทุกข์ใจได้ด้วยการเอาไปทำบุญทําทานเอาไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราทาได้เราก็จะลด ปริมาณของความทุกข์ใจของเราให้น้อยลงไปได้เพราะความทุกข์ใจของเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากความอยากใช้เงินมาดับความทุกข์นี่เองแล้วมันก็ติดเป็นเหมือนคนติดยาแก้ปวดนี่ต้องกินยาแก้ปวดอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้กินยาแก้ปวดก็ทนความปวดไม่ไหวปวดมากกว่าเดิมถ้าเราเลิกใช้เงินไปซื้อยาแก้ปวดเอาเงินนี้มาซื้อยาที่ทาให ต้นเหตุของการปวดมันมันน้อยลงไปจะดีกว่าต้นเหตุของความปวดก็คือความอยากของเรานี่ อ, อยากอยากหนีจากความทุกข์ไปเลยอยากไปเที่ยวกันอยากไปดูหนังฟังเพลงกันเราต้องเข้าใจว่าหนีแบบนี้หนีไม่ได้ถ้าจะหนีต้องหนีแบบการทาบุญทาทานแทนที่จะไปเที่ยวเอาเงินไปทาบุญเสียไปอยู่วัดไปนั่งไปปฏิบัติธรรม อย่างนี้จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆพอเราได้ทำทานเราก็จะลดความอยากในใจของเราให้น้อยลงไปอาการของความทุกข์ใจก็จะเบาลงไปแล้วจะทำให้เราสามารถปฏิบัติขั้นที่สองขั้นที่สูงกว่านี้ได้ก็คือขั้นรักษาศีลถ้าเรายังอยากใช้เงินอยู่เราก็อยากจะหาเงิน อยากจะหาเงินมากมากง่ายๆเร็วๆมันก็ต้องหาโดยวิธีไม่ถูกวิธีที่ผิดศีลนั่นเองต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างมันถึงจะได้มากถ้าไม่โกหกไม่โกงมันจะได้น้อยได้ช้าพ่อค้าแม่ค้าเขาจึงบอกว่ารักษาศีลไม่ไหวถ้าต้องทามาหากินถ้าต้องทามาค้าขายมันต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างถึงจะได้เงินได้ทองมา แต่ถ้าคนที่ไม่ต้องใช้เงินทองเพื่อที่จะมาเอาซื้อของต่างๆมาดับความทุกข์ความกดดันที่จะต้องไปทำบาป ก, ก็จะไม่มีก็หาไปเพื่อที่จะพอมาเยียวยาถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ไม่ต้องทำไม่มีปัญหาเลยถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปใช้วิธีการหาความสุขมาดับความทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องใช้เงินทองมากเราก็หาแบบ ตรงไปตรงมาได้ไม่ต้องโกหกไม่ต้องโกงเราก็จะรักษาศีลได้หยุดความอยากที่จะทำบาปได้เพราะการทำบาปนี้เป็นเหตุของการของการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุของการดับความทุกข์ทำบาปแล้วใจจะทุกข์มากขึ้นไม่ใช่จะน้อยลงไปทำบาปแล้วใจจะไม่สบายพอเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงไป นี่คือวิธีดับความทุกข์ไ้ดับที่ต้นเหตุคือความอยากอยากได้อะไรพอทําไม่ได้ก็หยุดอยากไปอยากจะดื่มเหล้าก็ดื่มไม่ได้ก็เลิกดื่มไปอยากจะโกงโกงไม่ได้ก็เลิกโกงไปอยากจะฆ่าสัตว์ฆ่าไม่ได้ก็ไม่ฆ่าความอยากที่จะทําบาปมันก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะทําบาปมันก็จะหายไปนี่ก็คือขั้นที่สองของการ ลดละความทุกข์เพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะไปปฏิบัติขั้นที่สามต่อไปได้ถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะต้องมีปัญหากับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลต้องไปหาเงินหาทองไปโกหกหลอกลวงอะไรต่างๆเวลาจะไป ปฏิบัติทมขั้นต่อไปก็จะทำไม่ได้ก็คือการไปภาวนาซึ่งเป็นขั้นที่สำคัญที่สุดขั้นที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปได้อย่างถาวรนะเราจึงต้องฝึกขั้นที่หนึ่งที่สองก่อนทำบุญทําทานรักษาศีลไปต่อไปเราก็จะมาหัดพอเรารักษาศีลได้เราก็จะมาหัดเป็นนักบวชได้มหัดถือศีลแปดได้ ตอนต้นก็ลองวันอาทิตย์ละวันก่อนวันพระนี่พระพุทธเจ้าบอกให้เราเข้าวัดกันเข้าไปปฏิบัติธรรมกันไปลดละความอยากกันด้วยการถือศีลแปดความอยากที่จะเอาความสุขทางร่างกายมาดับความทุกข์ทางใจให้เราหยุดเสียเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์ให้มาดับความทุกข์ด้วยลดด้วยการลดความอยากที่จะเอาความสุขทางร่างกายนี้มาดับความทุกข์ทางใจ เราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายเช่นหยุดการร่วมหลับนอนกันหยุดการรับหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลรับประทานตามความอยากเราจะต้องหยุดมันรับประทานตามความต้องต้องการของร่างกายก็รับประทานไม่เกินเที่ยงวันก็พอหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทาน ถ้าถ้ารับประทานก็แสดงว่าอยากจะรับประทานไม่ใช่เพราะว่าร่างกายต้องการถ้าอยากแล้วมันก็จะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจก็ต้องพยายามหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากเกี่ยวกับการกินอาหารก็จะหมดไปจะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของการกินอาหารความอยากเที่ยวมันก็จะหมดไปความอยากแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําเผาทาผมทาอะไรต่าง ต่อไปมันก็จะหมดไปเ้าอยากจะนอนนานนอนสบายก็จะหมดไปเพราะจะดัดนิสัยไม่ให้นอนบนฟูกนาหนาไม่ให้นอนบนเตียงที่สบายให้นอนบนพื้นอย่างนี้มันแข็งมันก็จะนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายพอร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อก็จะได้มีเวลาลุกขึ้นมา ปฏิบัติธรรมขั้นที่สามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือภาวนาการภาวนาภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้สองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าการทําใจให้สงบเพราะก่อนที่จะไปขั้นที่ขั้นที่สองได้ใจต้องสงบก่อนถึงจะไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาขั้นเรียนรู้ความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เรามาหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเหล่านี้ให้ได้ก่อน ถ้าใจไม่สงบนี้ใจจะไม่มีกำลังที่จะศึกษาไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางหลังจากที่เราได้ศึกษาว่าสภาวะธรรมที่เราหลงยึดติดนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางแต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราจะไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางได้เราจึงต้องมามาทาขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือการภาวนา ทำใจให้สงบการจะทําใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติคอยกํากับคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าไม่หยุดความคิดความอยากมันก็จะทํางานพอความอยากทํางานความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะหยุดทํางานชั่วคราว สติที่ควบคุมที่จะให้ความคิดหยุดนี้ไม่สามารถทำลายความอยากให้หายไปได้อย่างถาวรทำได้เพียงแต่ให้มันพักชั่วคราวด้วยการไม่คิดเท่านั้นเองแต่พอเริ่มคิดความอยากก็จะกลับมาใหม่แต่ขั้นต้นนี้เราต้องทำขั้นนี้ก่อนทำให้จิตนิ่งให้จิตสงบให้ได้ก็ถ้าจิตนิ่งจิตสงบแล้วจิตจะเห็นโทษของความอยากจะเห็นคุณของการ หยุดของความอยากเพราะเวลาจิตสงบนี้ความอยากไม่ทำงานแล้วจิตก็จะมีความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็จะหายไปหมดชั่วคราวแต่อย่างน้อยก็จะได้เห็นแล้วว่านี่คือทางไปทางสู่ความสุขทางสู่ความดับทุกข์ก็คือการทำใจให้สงบการทำใจให้ไม่คิดไม่อยากพอรู้อย่างนี้แล้ว ถึงก็ไปสู่ขั้นต่อไปได้คือขั้นที่สามคือขั้นที่สองของการภาวนาพอเราสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วครั้งแรกพอทำใจให้สงบนี้อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะเรายังไม่ชนานาญเหมือนขับรถเพิ่งขับเป็นแต่ยังขับไม่เก่งอย่าเพิ่งขับออกนอกไปถนนใหญ่เดี๋ยวชนกันได้หัดขับไปในซอย ไปก่อนเรื่อยให้มันมั่นใจซะก่อนตอนต้นได้สมาธิแล้วก็อย่าเพึ่งไปทางปัญญาหัดฝึกสมาธิไปเรื่อยก่อนออกจากสมาธิก็มาเจริญสติคอยควบคุมความคิดไปเรื่อยๆพอมีเวลาก็นั่งสมาธิต่อให้มันสงบจนเราสามารถนั่งสมาธิได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการเหมือนกับหัดขับรถจนเราชำนาญ สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังหยุดกระทันหันได้หลบกระทันหันได้ทาอะไรแบบคนที่เขาขับรถอย่างชำ น, นาญแล้วทีนี้ค่อยออกไปถนนใหญ่ทีนี้ก็จะสามารถขับรถแข่งกับเขาได้แล้ะเขาเหยียบมาแล้วก็เหยียบไปเขาแซงมาแล้วก็แซงไปหลบกันไปหลบกันมาอันนี้คือเรื่องของสมาธิ อย่าเพิ่งไปทางปัญญาขั้นแรกนี้เอาสมาธิให้ชานานก่อนสามารถนั่งสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วก็สงบได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วห้านาทีก็สงบจิตก็นิ่งรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้าเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ทีนี้ก็ไปทางปัญญาได้ปัญญาก็มีสองระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คือเป็นระดับศึกษาระดับทำการบ้านเราต้องมาศึกษาสิ่งที่เรามีเป็นสมบัติของเราให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายของคนที่เราเป็นที่เราถือว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายของพ่อของแม่ร่างกายของลูกของหลานของพี่ของน้องของสามีภรรยา ก็ไม่ได้เป็นของพ่อของแม่เป็นของดินน้ำลมไฟตัวพ่อตัวแม่เป็นใจที่มาเกาะมาติดร่างกายนี้เท่านั้นเองเวลาร่างกายของพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อพอเรารู้ความจริงว่าร่างกายไม่ได้เป็นของใครเวลาใครตายไปเราก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ใจพอเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตาย พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายสามีภรรยาไม่ได้ตายไปกับร่างกายลูกหลานไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เขาเท่านั้นเองพอเขาไม่มีคนรับใช้คนนี้เขาก็ไปหาคนรับใช้คนใหม่ต่อไปเขาก็ไปเกิดใหม่เท่านั้นเองก็เลยไม่มีว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปเสีย อ, อกเสียใจไปร้องหหมร้องไห้ทำไมเมื่อรู้ว่าเขาไม่ตาย เมื่อรู้ว่าเขาไปเขาเดินทางไปแล้วเขาต้องไปที่อื่นแล้วก็เหมือนเวลาเพื่อนฝูงบินไปต่างประเทศเราก็ไปส่งเขาเท่านั้นเองส่งเขาแล้วก็รู้ว่าเขาไปสบายแล้วก็แฮปปี้ของเราเขาก็แฮปปี้ของเขาเลไม่เห็นมีต้องมาร้องห่มร้องไห้กันทำไ ม, มนี่ก็คือความจริงที่เราจะมาศึกษามาเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่เป็นของเรา มันเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเนี่ยของที่เราใช้เดี๋ยวมันไปที่ไหนกันเนี่ยกองขยะแต่เมื่อเริ่มเทิมไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็กลับไปสู่กองขยะทั้งนั้นของดีๆที่เราใช้กันในวันนี้ใช้ไปได้ไม่กี่ปีมันก็กลายเป็นขยะไปเพราะมันต้องเสือ่อมมันเป็นอนิจจัง มันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันเป็นของกองขยะของต่างๆที่เราใช้เป็นกองของกองขยะร่างกายของคนที่เรารู้จักก็เป็นของสับเปล่าของวัดของเมนของสุสานเป็นที่กลับคืนสู่ดินน้ำลมไสของร่างกายไปเท่านั้นเองแต่คนที่ครอบของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันก็เดี๋ยวก็ต้องไปสู่สุสานไปสู่เมนเอาศัยสับปเปลา เ, เป็นผู้จัดการให้<ม>เราไม่ได้เป็นมันเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ไปหลงแล้วก็ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองพอเราได้ศึกษาด้วยปัญญาแล้วเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องแยกจากเราไปเมื่อถึงเวลาจะแยกก็ต้องให้มันแยกถ้าไม่แยก ถ้าไปดึงมันไว้จะทุกข์ถ้าไปกอดมันไว้จะทุกข์ปล่อยมันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดยึดมันก็ไปไม่ยึดมันก็ไปยึดมันทุกข์ถ้าไม่ยึดมันไม่ทุกข์แต่ไม่ยึดก็ต้องรู้ว่ามันต้องไปมันไม่ใช่ของเราให้มันไปเท่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปต่อไปเวลาอะไรจากมีอะไรจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน นี่แหละคือการศึกษาและการปฏิบัติที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติถ้าเราเห็นความจริงว่าเป็นตายักเราก็ปล่อยวางมันได้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทพอเราหลุดพ้นแล้วเราก็สบายที่เราไม่ต้องทำอะไรละเวลาเหลืออยู่เราก็ไปทางานขั้นที่สี่ คือไปเผยแผ่ทำเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่พอพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุแล้วพระองค์ก็นําเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเนี่จึงปรากฏมีพระอริยสงสาวกขึ้นมาพอมีพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกก็ไปเผยแผ่ทำต่อก็เลยมีผู้ศึกษาและปฏิบัติตามและได้บรรลุเป็นพระสงสาวกกันมา อยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาของเราอยู่กันมาได้จนถึงบัด น, นี้ก็เพราะการการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุผลและการเผยแผ่คาคําสอนเผยแผ่ผลที่ได้ตนเองได้บรรลุมาจึงทาให้มีพระพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกวันศาสนาเราไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์ที่ศาลาเพราะสิ่งเหล่านี้มันผุพังไป เห็ไหมสถานที่ตัดสลูของพระเจ้าไปดูซิมีอะไรบ้างสถานที่ประสูติมีอะไรบ้างมันเป็นแต่ซากผลักหักพังหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่เช่นพุทธคยานี่ก็เป็นของที่สร้างขึ้นมาทีหลังทิ้งมันต่อไปไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องพังเพราะมันเป็นมันเป็นวัตถุเป็นดินน้ำนมไฟมันไม่ใช่ตัวศาสนาตัวศาสนาที่จะทําให้ศาสนาอยู่ไปตลอดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ประพุะทธธรรมพระสงฆ์จะอยู่ได้ก็ต้องอยู่ที่การปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือการปฏิบัติตามคำสอนปฏิเวทคือการบรรลุ ถ, ถึงผลขอ ง, ของการปฏิบัติแล้วเมื่อมีปฏิเวทแล้วก็จะมีการเผยแผ่นำเอาธรรมะที่ได้บรรลุนี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปถ้ามีการดำเนินอย่างนี้ไปศาสน า, าจะไม่มีวันหมดไป เราให้ใครเกียดศาสนามาทำลายเจดีวัตถุโบสถ์ทาละาวละวัตถุอะไรต่างๆมาเผาเจดีมาเผาโบสถ์มาเผากุฏิก็เผาไปเถิดแต่ไม่สามารถเผาพระพุทธศาสนาได้เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในทาวละวัตถุแต่อยู่ในใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้บรรลุธรรมผู้เผยแผ่ธรรมที่ไม่มีใครจะสามารถที่จะมากำจัดได้ ดังนั้นขอให้พวกเราจงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเถิดเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเราได้ช่วยเราดับความทุกข์ใจของเราได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ผู้ที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังก็สามารถดับความทุกข์ใจของเขาได้หมดเลยเป็นพระอาลัยตถาสมุคขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าพวกเราปฏิบัติแบบท่านเราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับผลแบบท่านอย่างแน่นอนเราจะได้ดูดพ้นจากความทุกข์จึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสาระที่พึ่งอันประเสริฐนี้ที่จะมาดับความทุกข์ในใจของท่านทั้งหลายให้หมดไปนี้ให้ท่านน้อมเข้าไปสู่ใจน้อมด้วยการศึกษาปริยน้อมด้วยการปฏิบัติปฏิบัติ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 เอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิชตตุสับเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพพิตโยวิวาจจันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจังวุธาปจายนโนจัตารโรธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ห้ามถามถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้อตอนนี้ถามได้นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูมีคำถามหงข้อเจ้าค่ะคือทุกครั้งที่หนูนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เสร็จอะไรก็ช่าง หนูพุทโธก็ช่างสิ่งที่หนูเคยเจ็บที่ใจมันก็หายไปแต่ปัจจุบันนี้มันมีข้อใหม่เกิดขึ้นมากับหนูก็คือหนูเจ็บใจเจ้าค่ะเจ็บใจสิ่งที่เคยทำอดีตที่ว่าเคยโลภเคยเป็นคนที่แล้วแล้วมาเจ้าค่ะหนูจะแก้ไขยังไงดีเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็อย่าไปคิดถึงมันเสียจมันผ่านไปแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว เราก็พุทโธพุทโธไปเวลามันจะคิดถึงอดีตก็พุทโธพุทโธใจเราต้องอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะมันก็จะปลอดภัยพอมันไปคิดถึงอดีตมันก็จะเกิดเรื่องทําให้ทุกข์ใจได้ไปคิดถึงอนาคตมันก็จะมีเรื่องทําให้ทุกข์ใจได้เน้นเราต้องใช้สติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้มันคิดพอไม่คิดแล้วมันก็หายไปความทุกข์ใจพอเราคุมมันได้ต่อไปมันก็ไม่คิด มันก็จะอยู่แต่ปัจจุบันจะคิดเฉพาะเวลามันต้องคิดเท่านั้นงั้นถ้าคิดแล้วเจ็บใจก็ต้องพุโทโธพุโทโธอยู่มันไปถามต่อนรรษการข่หลวงพ่อปริอยากให้หลวงพ่อแนะนำาพิ่มาครั้งแรกค่ ะ, ะ, ะการนั่งสมาธิปรีหนูนั่งอยู่ที่บ้านค่ะก็เนี่ยก็มีสติไงคอยมีอะไรคอยควบคุมใจอย่าให้คิดก่อนจะมานั่งนี่เราก็ต้องควบคุมไว้ก่อนนะ เช่นใช้พุทโธพุทโธไปลืมขึ้นมาลืมตาก็พุทโธพุทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปพอเวลานั่งก็พุทโธมันก็จะไม่ไปที่อื่นถ้าเราไม่ควบคุมความคิดไว้พอเวลามานั่งมันมันก็จะไม่พุทโธมันก็จะไปคิดพอคิดมันก็จะไม่สงบเัี้ยต้องหัดฝึกพุทโธไว้ก่อน หรือถ้าไม่ใช้พุทโธ ก, ก็ใช้ใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกายไปทุกอิรยาบทของการเคลื่อนไหวกำลังยืนก็ให้รู้กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกำลังรับประทานอาหารก็ให้ใจอยู่กับร่างกายอย่าให้ไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ดึงมันกลับมาที่ร่างกายแล้วเวลานั่งก็ดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออก ถ้าดึงมันไว้ได้มันก็จะไม่ไปไหนพอดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็จะวุบจะสงบจะนิ่งแล้วก็มีความสุขเวลาสงบก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆอย่าไปทําอะไร้จนกว่ามันอยากจะออกมาถ้าอยากจะนั่งต่อก็ดูลมต่อไปออแล้วเดี๋ยวมันก็สงบใหม่อ๋อเวลาเวลาจิตจะใกล้ๆรวมนี่ก็ไม่ให้ตกใจไม่ต้อง<ช>นะไม่ต้องใช้รู้เฉยๆมันจะรวมจะไม่รวมช่างหัวมันอย่าไปคิดคิดแล้วมันจะไม่รวม ถ้าอยู่กับพุโทโธกับพุโทโธไปถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไปครั้งหลังข้างหลังจากมาตรการ ค, ค่ะพูดดังๆหน่อยพอดีหนูเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะพูดดังๆหน่อยจ้ะอยากเออเป็นถามอาจารย์ว่าพอเวลาอย่างอย่างสมมติเวลาเออหนูเข้าสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ พอพอหนูรวมจิตได้แล้วมันนิ่งครั้งแรกมันจะมีอาการแบบครั้งแรกที่หนูเป็นหนูจะตัวยืดตัวยาวอ่ะอันนั้นยังไม่นิ่งจริง<ะ>ถ้านิ่งจริงเมันไม่ยืดไม่ยาวค<ะ>่ะเสร็จพอหนูรวมได้มันจะนิ่งแล้วหนูไปไหนต่อไม่ได้อะค่ะก็ไม่ให้ไปไหนให้มันนิ่งก็จบแล้วไงก็มาถึงตรงนี้ทุกที น, นะกใกล้นิ่ ง, งานานไงให้ใจมันนิ่งานานๆให้ใจมันเฉยต่อไปเวลาเราเจอกิเลสเราจะได้เฉยได้นิ่งได้ เวลาจะโกรธก็จะนิ่งได้เวลาจะโลภ ก, ก็นิ่งได้เราต้องการความนิ่งเพื่อเวลาเจอกิเลสจะได้หยุดมันเวลามันโลภเราก็ใช้ความนิ่งนี้ไปหยุดมันถ้ามันโกรธก็ใช้ความนิ่งไปหยุดมันงั้นพยายามนิ่งนานๆถ้าไม่นานมันไม่มีกำลังพอเจอความโกรธมันจะหยุดไม่ได้แล้วถ้าเกิดแบบ พูดใกล้ๆมาหน่อยที่ที่บอกว่าใช้สติต่อไปอ่ะยังไงคะก็ออกมาก็พุโทโธต่อไปแล้วเฝ้าดูร่างกายอย่าให้มันไปคิดเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้อร่างกายกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินร่นางกายกําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับน้ําล้างหน้าก็อยู่กับล้างหน้าไม่ใช่ล้างหน้าไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปเราต้องควบคุมความคิดควบคุมใจไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือร่างกายหรือพุทธโธเนี่ยี่ยปัจจุบันแล้วต่อไปเวลามันจะไปเราจะหยุดมันได้เวลาจะโลภ ก, ก็หยุดมันได้เวลาจะโกรธก็หยุดมันได้การปฏิบัติเพื่อมาหยุดความโลภความโกรธความหลงนี่เท่านั้นเลยแล้ว อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าติดสุขไหมค ะ, อ, ะอย่างนี้เรียกว่าติดสุขไหมคะอ้ะอะาก็เราปฏิบัติเพื่อความสุขไม่ใช่เหรอหนีความทุกข์มามาเจอความสุขก็ติดกับมันสิก็ มันปฏิบัติเพื่อความสุขความสุขแบบนี้ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เสียหายตรงไหนความสุขจากสามีนี่เสียหายความสุขจากลูกนี่เสียหายเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันจะต้องหมดแต่ความสุขแบบนี้ไม่มีวันหมดคำว่าสติปัญญานี่คือออกจากสมาธิมาแล้วคือเราใช้ชีวิตประจำวันนี่ใช่ไหมคะร่อนต้นใช้สติไปก่อนให้ชนานาญก่อนเมื่อกี้บอกนะว่าให้ฝึกสติให้ชนานาญ ให้หยุดความคิดได้ทุกเวลาก่อนแล้วต่อไปค่อยมาใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของที่เราคิดว่าเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราสักวันมันจะต้องมีการพัดผ้าจากกันไปเราต้องหัดปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดสามีก็ต้องไปลูกก็ต้องไปพ่อก็ต้องไปแม่ก็ต้องไปเราก็ต้องไปร่างกายของเราก็ต้องไปทุกอย่างต้องไปหมดหัดคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะได้ไม่ทุกข์ เวลาไปก็ปล่อยมันไปทัานนี้ถึงขั้นปัญญาก่อนจะไปท่านปัญญาได้ต้องรู้จักหยุดใจให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้พอจะพออะไรจะจากไปก็ร้องห่มร้องไห้โวยวายขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เพราะยังไม่อยากให้มันไปถ้าถ้าอย่างสมมติว่าตอนนี้หนูเคยเจอเมื่อเมื่อเดือนสิงหานะคะพี่สาวเสียชีวิตนะคะออหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้เสียใจอะไร อ๋อนั่นยังกายตัวเราลองลองลองดูตัวเราจะเสียชีวิตดูน อ, อ่เราไปเป็นโนกมาเลองขึ้นมาดูนี่ล้วจะรู้สึกยังไง <c oughs> ใช่ใช่ถ้าไม่เสียใจเฉยๆก็โอเคแสดงว่าผ่านเอถ้ายังเสียใจยังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ผ่าน <c oughs> ยังไม่ปล่อยยังอยากให้มันอยู่ <c oughs> ยังไม่ยอมให้มันตายถ้ามันจะตายก็ต้องให้มันตายยอมให้มันตายถึงจะผ่านถ้าลูกจะตายเอาของกายตัวเดียวของกายตัวไม่เท่าไหร่ เอาเงินทองดีกว่าใกล้ตัวดีเกิดใครมาโควมเงินไปรู้สึกเฉยเฉยหรือเปล่ารู้จะรู้สึกโกรธใครมายืมเงินแล้วไม่ยอมคืนเงินนี่จะโกรธเขาหรือเปล่าเนี่ย <Okay. S 1> ของทุกอย่างมันต้องไปมันจะไปแบบไหนเราไม่รู้เท่านั้นเองถ้ามันไปแบบที่เรารู้เราก็ไม่เสียใจเพราะเราคิดไว้ก่อนแต่มันไปแบบที่ไม่รู้เราจะเสียใจเช่นแฟนเไปมีชู้อย่างเงี้ยเาจะต้องเลิกกันเนี่ยมันจะเสียใจ แต่ถ้าเขาจะไปเพราะเขาตายนี่เราไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเขาต้องตายแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปมีชู้นี่ยพอเขาไปมีชู้เราก็ตกใจนี่เราต้องคิดในทุกรูปแบบว่าต้องต้องจากเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าของที่มันไกลตัวมันไม่ค่อยทําให้เราทุกข์หรอกต้องของที่ใกล้เราของที่เรารักเราห่วงเนี่ยอันนี้แหละเป็นเของที่จะทําให้เราทุกข์มากยิ่งรักก็ยิ่งทุกข์ถ้าไม่รักมันก็ไม่ทุกข์ ดงนั้นต้องพิจารณาสิ่งที่เราลักคนที่เรารักว่าไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราจะต้องจากเราไปแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติกำลังพอพิจารณาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังจ ะ, จะทำใจไม่ได้ถึงสอน บ, บอกให้หัดทำใจให้สงบให้มากๆ ก, ก, ก่อนให้มันมีกำลังแล้วต่อไปเวลาต้องทำใจต้องหยุดใจมันจะหยุดได้ง่ายเ่้ใจนะ เดี๋ยววันนี้ทางบ้านมีอะไรมีเข้ามาเท่าไหร่ทาง a ฟ e b o o k นะคะสามร้อยี่สิบสามค่ะส่วน y o u t u หนึ่งร้อยี่สิบหกค่ะพระอาจารย์มีคำถามทางบ้านไหมมีมมคำถามสากถามอ่านี้คำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะ<ม>จากคุณพงษาค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามว่า<ม>การทำวิปัสสนากรรมฐานใช้ภาวนาพุโทโธได้ไหมครับ เคยไปวัดแห่งหนึ่งพระท่านบอกห้ามใช้ผมคิดว่าคงใช้ได้กับส ม, มถะกรรมฐานส่วนวิปัสนาใช้พองหนอยุบหนอขอความเมตตาพระอาจารย์ไขความสงสัยข้อนี้ครับอ๋อมันใช้สองอย่างนี้มันสำหรับส ม, มถะทำใจให้สงบทั้งนั้นยุบหนอพองหนอหรือพุโทโธก็เพียงแต่ฝึกสติให้ใจยหยุดคิดเท่านั้นเองยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นวิปัสนา วิปัสสนานี้ต้องพิจารณาใจรักต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วดับไม่ใช่ของเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันเราไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาขั้นต้นนี้ให้ฝึกสติก่อนเพื่อให้ได้สงบให้จิตนิ่งให้เป็นอุเบกขาพอจิตอุเบกขามีความสุขแล้วจิตก็จะปล่อยปล่อยวางได้ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เรายึดติดทําให้เราทุกข์อะไรแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่มีสมร tha ไม่มีสมาธิใจเรายัางใจหิวโหยอยู่จะไม่มีอุเบกขาเพราะมันเคยติดอะไรมันก็จะติดมันจะหวงมันจะไม่ยอมปล่อยแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสุขจากสมาธิแล้วเราเพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราเคยยึดติดให้ความสุขกับเรามันเป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องจากเราเราก็ปล่อยมันได้เพราะเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแล้ว ถ้าเรามีความสงบมีความสุขเราอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองก็อยู่ได้และดีกว่าเพราะไม่ทุกข์ถ้ามีเราต้องทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีมันจะต้องหมดมีต้องมีมีวันจากกันพอจากกันก็ทุกข์กันคําถามจากคุณโตมรทางอินบ็อกค่ะ ถ้าเราไม่เราไม่สวดมนต์ประจาําวันเรานั่งสมาธิแทนได้ไหมครับได้เหมือนกันการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสมาธิแบบห ย, ยาบๆแบบง่ายๆแต่การนั่งสมาธินี่มันยากกว่าถ้าเรานั่งได้ก็ไม่ต้องสวดคนที่ยังนั่งไม่ได้ก็หัดสวดไปก่อนคำถามต่อไปจาก a c e b o o k ไลน์นะคะกายยานุปัสติปฐานฝึกอิริรยาบถใหญ่ควบคู่ไปกับ อาณาปานสติได้หรือไม่ครับเอ่อคือต้องทําต่างวานละกันอาณาปานสติจะเหมาะตอนที่เรานั่งเฉยๆนั่งสมาธิกายานุปัสสนาสติเหมาะกับเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิจะให้ดูว่าร่างกายเรากําลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังทําอะไรอยู่เฝ้ามันอย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติเฝ้าดูร่างกายให้มีสติอยู่กับร่างกาย ไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเวลาเรานั่งเราก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายเราก็ต้องดูลมที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เราก็ดูอนนาปนาสติไปแทนเวลาที่เราเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องดูลมเพราะลมดูยากกว่าดูร่างกายคำถามจากคุณต่อพงค่ะต้องดูต้องดูแลแม่ที่ต้องดูแลแม่ที่ชราแต่ใจลึกๆ ต้องการออกไปศึกษาพระธรรมเราจะอยู่แบบคาระวะอย่างไรให้ทุกน้อยที่สุดในวิถีสังคมปัจจุบันครับก็ต้องยอมรับว่ามันเรายังต้องอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ไปเรายังไปไม่ได้ก็อยา่าอย่าไปอยากไปอยากแล้วไม่ได้ไปมันก็ทุกถ้าอยากก็ไปได้ก็ไปเลยถ้าไปไม่ได้ ก, ก, ก็อย่าอยากอยู่อยู่กับที่ไปก่อนพอใจกับที่เราอยู่ไปก่อนทำหน้าที่ของเราไปก่อน อยู่ที่เราก็ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกับพ่อแม่ก็ได้ปฏิบัติกับพระอราหันต์ศึกษาธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปวัดก็ศึกษาได้ตอนนี้ก็ติดตามถ่ายทอดสนได้มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้มีหนังสือก็อ่านได้มีซีดีก็ฟังได้อย่างนี้ไม่ต้องไปวัดแล้วบางทีไปวัดกับไม่มีให้ฟัง้วยไปวัดมีแต่ลำวงมีแต่ลิเกมีแต่ภาพยนตร์มีแต่ตลาดนัด ถ้าไปวัดวันนั้นก็อย่าไปดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าเพราะวัดนี้ต้องเป็นแหล่งของการให้ความรู้คือธรรมะถ้าไปแล้วไม่มีความรู้ก็อย่าไปเสียเวลาคำถามจากคุณเป็นอิสระภาพนะคะถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อคืนลูกสวดมนต์อยู่ดีๆก็มีภาวะนึกแทรกกับคำที่เราสวดมนต์คือนึกได้กับคาสวดมนต์ว่า คำสวดมนนี้คืออะไรมันนึกได้แบบนี้คืออะไรจะทำอย่างไรดีคะก็อย่าไปรับรู้แล้วก็ปล่อยวางกลับมาทำงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรากำลังสวดมน์ก็สวดมน์ต่อไปความรู้ที่แทรกเข้ามาก็รับรู้ไว้ถ้าเราเอาไปทำประโยชน์ได้ก็เอาไปทำถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยมันผ่านไปเพราะความรู้ที่เข้ามามันมีทั้งดีไม่ดีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ถ้าเรายังไม่รู้จักเอามาทำประโยชน์ก็ปล่อยมันไปก่อนอย่าไปสนใจเวลาที่เราสวดมวนต์เราต้องการที่จะให้จิตเรานิ่งให้อยู่กับการสวดถ้าเราไปคิดแล้วมันจะไม่นิ่งคำถามจากคุณสายลมและทุ่งหญ้ากราบนรมสการหลวงพ่อครับเพาะพันุไก่ชนขายบาปหรือเปล่าครับก็ เ, เพราะเราไปไปต่อยมวยแล้วบาป่า ถ้าเขาเพาะเราเลี้ยงเราแล้วให้เราไปต่อสู้ไปฆ่ากันคนที่เขาเลี้ยงเราบาปไหมเราจะรู้สึกยังไงเราคิดในเวลาเราจะทําอะไรกับใครต้องคิดว่าเราเป็นเขาบ้างแล้วเราอยากจะทำไหมถ้าเราเป็นไก่เราอยากจะให้เขามาเลี้ยงเราแล้วให้เราไปชนกับไก่ตัวอื่นหรือเปล่า mm. ฉะนั้นจะทําอะไรต้องไม่ถามว่าบาปมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะถ้าเราทําทํากับคนอื่นได้แล้วทํากับตัวเราได้ก็ไม่บาป mm. ถ้าทำกับตัวเราไม่ได้ทำกับคนอื่นได้ก็แสดงว่ามันบาปนะคำถามจาก youtube นะคะพระอาจารย์จากคุณบีบีจิตใจของเราหรือเปล่าครับและอนัตตาค ล, ลายอนัตตาเองอนัตตาบรรลุธรรมเองหรือใครเป็นผู้บรรลุธรรมครับอ๋อตัวรู้นี่แหละเป็นผู้บรรลุธรรมตอนนี้ตัวรู้มันหลงมันถูกอวิชชาครอบงำ ก็เลยต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแก้อวิชชาตัวรู้คือผู้ปฏิบัติธรรมคำถามจากคุณพัฒนานจากยูทูบนะคะการฝึกโมโนยิทธิคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันต้องลองถาม Google ดูสิเขียนเข้าไปโมโนยิทธิมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วคำถามจากเฟ e บุ๊กนะคะคุณวิบูลเวลาคนพูดเสียสี วางใจอย่างไรจึงจะไม่กระทบครับอ่า <c oughs> ก็แล้วแต่ถ้าเราถ้าคิดว่าถ้าเราหัดชอบมันเส้ยอย่างมันก็ไม่มันก็สบายถ้าไปไม่ชอบมันมันก็ทุกข์นั้น <c oughs> พยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบเสแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ไม่ชอบให้เขาเสียสีก็ <c oughs> เปลี่ยนะอยากให้เขาเสียดสีพอเขาเสียดสีก็มีความสุขแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเมื่อก่อนก็ไม่สนใจเราไม่เสียดสีเราเลย อันนี้เขาเสียดสีเราแล้ ว, ลวสาธุดีใจถ้าทําถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทําอย่าไปอย่าไปอย่าไปฟังคือพอเขาเสียดสีเราเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันถ้าเรายังเปลี่ยนใจไม่ได้ถ้าเปลี่ยนใจได้ก็ดีแต่ตอนนี้เราอยากจะให้คนเขาเสียดสีเราแล้วเกินไม่อยากให้เขาชมเพราะชมนี่มันยากเอาของง่ายดีกว่าเอาคาด่านี่มันง่ายกว่า อยากให้เาา้าด่าอยากให้เขาเสียดสีอยากให้เขาดูถูกดูแคลนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ทําตัวเป็นปาฏิพีองีทําตัวให้ต่ําต้อยที่สุดให้ใครเขาดา่าเขาเหยียบเขายา่ําให้เขาดูถูกดูแคลนให้ได้แล้วเราจะสบายใจลดอัตราตัวตนเนี่ยที่เรามันทุกข์เพราะเรามีอัตราตัวตนเราดีอย่างงั้นดีอย่างงั้นคนอื่นแตะไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้พอเขาแตะหน่อยเขาเสียสีหน่อยเขาทุกข์ เรอจะใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาจะเสียดสีหรือไม่เสียดสีเราไปสั่งไปอะไรเขาได้หรือเปล่าก็เขาเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานตตานะเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งดินฟ้าอากาศได้หรือเปล่าห้ามได้หรือเปล่าไม่ได้คนอื่นเราก็ไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ดงั้นเราอยากไปอยากไปให้เขาพูดแต่ดีไม่อยากให้เขาพูดไม่ดีถ้าอย่างนี้พอเขาพูดไม่ดีก็จะ ตกใจเสียใจโกรธขึ้นมาคำถามจากคุณพลค่ะการสะกดจิตมีการสะกดจิตมีจริงเราจะฝึกอย่างไรเพื่อไม่ให้คนมาสะกดจิตเราได้ครับก็มีสติเนี่ยใครมาสะกดเราแล้วก็พุโทโธพุโทโธการเหมือนไว้เราก็จะไม่มีใครมาสะกดเราได้สติเพราะเรามีสติแล้วเราก็จะไม่เป็นไปตามที่เขาสั่ง คนที่ไปตามเขาสั่งเพราะเคริมเคลมเหมือนนอนหลับแล้วเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามที่เขาสั่งเพราะไม่มีสติคําถามจากคุณชวนค่ะกลาบเปลี่ยนถามพระอาจารย์ความง่วงเป็นกิเลสหรือเป็นอาการของร่างกายที่พักผ่อนไม่พอครับมันก็เป็นได้หลายสาเหตุถ้าร่างกายพักผ่อนไม่พอมันก็ง่วงแล้วถ้ามันมันอยากจะนอนทั้งๆที่ร่างกายพอแล้วมันก็ง่วงได้ เนกินมากๆ ม, มันก็อยากจะนอนขึ้นมาดังนั้นใจว่าเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลกไ็ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงกับมันถ้าเราไม่อยากจะง่วงถ้ามันนอนมากพอแล้วมันยังง่วงอยู่ก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแล้วอย่างนี้เราแก้ได้แล้วมันเราก็กินอาหารให้มันน้อยหน่อยลดอาหารลงหรือว่าถ้ามันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดิน ลุกข้นมาล้างหน้าทำหน้หรือไปอยู่ที่มันน่ากลัวถ้าไปอยู่ในป่าชา้านี่มันหายง่วงคำถามจากคุณส้มนะคะเป็นนี่เพราะโดนโกงทำใจได้แล้วแต่ตอนนี้เจ้าหนี้ทวงจะรับมืออย่างไรดีคะและจะคิดยังไงดีคะเระาใช้เข้าไปเสีถ้าทำใจได้แล้ ว, ลวคำถามต่อไปจากคุณอะเลสต์นะคะ จิตไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาปแต่ทาดีไปเรื่อยๆสนใจจิตแต่เฉยๆยอมรับตามความจริงถูกต้องหรือเปล่าคะก็ทำความดีก็เป็นบุญแนละ้วจะต้องการมันไม่ต้องการมันก็ได้แนละ้วบาปก็อย่าไปทำเพราะบาปทำแล้วมันจะทำให้ทำมันโทษกับเราไม่ได้เป็นคุณกับเราทำใจก็เรียกว่าการภาวนาการชำระใจการลดละความโลภความโกรธความหลง เดียวเป็นการทําใจก็ทําถูกต้องพระเจ้าสอนให้ทำสามประการให้ละการกระทําบาบทั้งปวงให้การให้กระทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ค่ะคําถามจากคุณมาดามฟองดูคะ่ะการนอนทําสมาธิจะบาปหรือไม่เจ้าคะเวลานั่งจะเวียนหัวคะ่ะเลยนอนทําอ๋อไม่บาปแล้วเพียงแต่มันจะหลับ เพราะว่ามันท่าสบายแล้วมันจะจะนั่งจะทำไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็จะหลับขนาดนั่งมันยังหลับเลยแล้วคิดดูเวลานอนมันจะไม่หลับเลยตอนนี้คำถามหมดแล้วค่ะคำถามหมดแล้วยังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้านาทีใครอยากจะถามอะไรก็ยังถามได้อยู่เดี๋ยวรอคำถามเข้ามาก็ได้ ช่วงนี้ก็จะบรรยายต่อนิดหน่อยเรื่องศีลเรื่องสมาธิกับปัญญาเนี่ยอย่างที่อธิบายเนี่ยเรายังไม่มีสมาธินี่เราต้องพยายามปฏิบัติสมาธิให้มากๆจนกว่าเราจะชำนาญช่วงที่เราปฏิบัติสมาธินี่ไม่ได้ถือว่าติดสุขติดสมาธิเพราะสมาธิยังไม่มีให้ติดอาจจะเวลานั่งแต่ละครั้งเหมือน เหมือนเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีสมาธิถ้าเร่งสมาธิต้องป็นเหมือนเดินลงเขาพอนั่งปุ๊บก็สงบเลยอะอย่างเงี้ยถึงเรียกว่ามีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วทีนี้เราก็ต้องไปทางปัญญาถ้าทำแต่สมาธิไม่ทำปัญญาบ้างสลับกันไปก็จะติดกับสมาธิทำแต่สมาธิอย่างเดียวมันก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะสมาธิจะไม่สามารถกาจัดกิเลสตัณหาได้ ผู้ที่จะมากำจัด ก, กิเลสตัณหานี้ต้องเป็นปัญญาแต่ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถมีกําลังสู้กับกิเลสตัณหางั้นตอนต้นเราต้องสร้างกําลังให้กับใจด้วยสมาธิก่อนพอเรามีสมาธิมีกําลังใจแล้วทีนี้เราก็ออกไปสู้กับกิเลสตัณหาด้วยปัญญาได้ปัญญาก็คือให้เราเห็นทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์อย่างนี้ย ทุกอย่างไม่สวยงามร่างกายของคนทุกคนไม่สวยงามมีตับไตไส้พุงมีโครงกระดูกมีลำไส้มีปอดมีหัวใจที่เรามองไม่เห็นกันเราต้องแหวกมันออกมาดูต้องศึกษาให้มันเห็นข้างในเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันจะได้ตัดความอยากที่จะมีแฟนมีลูกมีครอบครัวได้นี่คือปัญญาที่เราจะต้องทำ แต่ตอนก่อนอย่าไปทำปัญญาทำสมาธิให้ชำนาญก่อนเหมือนกับหัดขี่จั ก, กรยานตอนตอน้นยังขี่ไม่ได้อย่าเพิ่งไปขี่แบบปล่อยมือเข้าใจไหมปล่อยมือเดี๋ยวก็ล้มถ้าขี่ชำนาญแล้วต่อไปก็ปล่อยมือได้บางทียืนบนบ น, บนยืนบนจั ก, กรยานให้มันวิ่งก็ได้เห็นไมคนที่เขาขี่จักรยานในโรงละครโงอะไรละครสัตว์นี่เขาขี่จักรยานกันบนบ น, บนอะไรบนเส้น เส้นลวดก็ยังเขาก็ยังขี่กันได้เพราะเขาชนานาญนะแต่ถ้ายังไม่ชนานาญอย่าเพิ่งไปขี่เดี๋ยวลม้มอันนี้ก็เหมือนกันถ้านยังควบคุมจิตไม่ได้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะจะสู้กิเลสไม่ได้พอเจอกิเลสก็ถูกเขาชกทีเดียวก็ลม้มต้องให้เราเก่งทางสมาธิก่อนชํานาญทางสมาธิก่อนแล้วก็ไปทางปัญญาเวลาไปทางปัญญาก็ต้องกลับมาสมาธิเสมอสลับกันไปไม่ใช่ไปแต่ปัญญาอย่างเดียว ไปทางปัญญาสักพักเดียวมันเหนื่อยมันฟุ้งก็ต้องหยุดกลับมาทําใจให้สงบใหม่ก่อนมาพักจิตก่อนเหมือนเหมือนกับร่างกายร่างกายไปทํางานแปดชั่วโมงก็เหนื่อยก็ต้องกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารพอตื่นขึ้นมาแต่งกินอาหารเสร็จดั่งเนื้อแต่งตัวเสร็จก็ออกไปทํางานใหม่ใจก็เหมือนร่างกายต้องสลับกันต้องทําสมาธิสลับกับปัญญาถ้าทําปัญญาอย่างเดียวจะหมดแรง สมาธิจะหมดเนี่ยไม่มีกำลังสู้กับกิเลสมีคำถามเข้ามาจากอินบ็อกค่ะพระอาจารย์ขอเรียนถามพระอาจารย์คะ่ะการเพ่งกระสินคืออะไรคะมันคือการฝึกจิตหรือเปล่าคะก็เป็นการเจริญสติไงสติคือใจเราชอบไปนู่นไปนี่ก็เลยบางเก็ไให้มันดูดูสีกระสินก็คือสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองนี่เรียกว่า เป็นการควบคุมบังคับจิตไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องให้คิดอยู่กับสีอย่างเดียวต้องเป็นสีที่อยู่ในใจเราไม่ใช่สีที่อยู่ข้างนอกเราเวลาเท่งกระสีนี้เราต้องหนับตาแล้วให้มันนึกถึงสีที่เราต้องการจะเพ่งนึกถึงสีขาวสีขาวถ้าไม่รู้ว่าสีขาวเป็นอะไรก็ดูสีขาวด้วยตาก่อนดูไปดูไปแล้วก็จำมันไว้แล้วก็หับตานึกถึงสีขาวที่เราเห็น ให้มันเนื้อเกี่ยวกับสีขาวมันก็จะไปเนื้อถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับพุทโธนี่แหละเพียงแต่ว่าทางที่จะใช้คําบริกรรมใช้สังขารมันก็ใช้สัญญาแทนบังคับให้ใช้สัญญาดูอยู่กับสีไปมันก็จะหยุดคิดปรุงแต่งได้มันก็จะสงบได้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานหนึ่งในหนในสี่กรรมฐานเกษร์ก็มีอยู่สิบก็เลยเกษรนสิบ สีเขียวก็เป็นก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งสีแดงก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งสีเหลืองก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งสีต่างๆนี่ก็เรียวกว่าเกสินสิบไปไปเปิดดูในก o เกิลดีกว่าเพราะเราจําไม่ได้คําถามจาก facebook ไลน์ค่ะจากคุณเป็นอิสระภาพลูกยอมรับคะว่าในตัวลูกมีดีและไม่ดีภาวะแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วแต่ตอนนี้เป็นเยอะนึกได้เป็นทีที จะทําอย่างไรดีคะใครถามมาก็รู้หมดแต่พูดไม่ออกจะทําอย่างไรดีคะรับสินแปดมาแล้วค่ะก็เป็นปัญหาตรงไหนนึกไม่ออกปัญหามีนอยู่ตรงไหนไม่รู้จะทํายังไงดีคค่ะเหมือนประมาณว่าลูกยอมรับนะคะว่าตัวลูกมีดีและไม่ดีภาวะแบบนี้คือตั้งแต่เด็กเหมือนประมาณว่านึก นึกได้อะไรอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์แต่พูดไม่ออกประมาณนี้ค่ะแล้วทาไมล่ะแล้วให้ทําังไงก็พูดไม่ออกก็ดีอยู่แล้วไม่อยากให้พูดอยู่แล้วก็อย่าไปพูดเท่านั้นอรู้อะไรก็เก็บไว้เฉยๆถ้าไม่มีเหตุผลให้พูดก็ไม่ต้องไปพูดรู้ชำเพาะตัวเองก็พอพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกับโอ้ออวดก็ได้อวดเก่งอวดรู้อวดดีก็ได้เนี่ยถาให้พูดก็ดีอยู่แล้ว นอกจากว่าถ้าต้องพูดแล้วพูดไม่ได้ก็ต้องบังคับมันด้วยสติถ้ามันพูดไม่ออกก็ต้องบังคับมันให้มันพูดหัดพูดแต่ถ้าพูดไม่ออกใช่ไหมหัดพูดเหมือนเด็กอ่ะเด็กมันก็ต้องหัดพูดเหมือนอึ่งนี้พูดได้ถ้าเราพูดไม่ออกเราก็ต้องหัดพูดถ้าพูดได้ก็ไม่ต้องหัดพูดก็พูดไปถ้าไม่ควรพูดก็อย่าพูดให้ใช้ปัญญาคิดก่อนว่าจะพูดดีหรือไม่ดี ถ้าพูดแล้วไม่ดีก็อย่าพูดถ้าพูดแล้วดีก็พูดไปคำถา ม, ามต่อไป<ช>นะคะอันนี้จากอินบล็อกนะคะพอาจารย์ภายในจิตใจเรามีความคิดติดลบกับผู้อื่นบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ใจเรามองคนในง่ายไม่ดีเพราะคนเรามีนทั้งดีและไม่ดีเราควรจะมองตามสภาพความเป็นจริงของเขา ถ้าเขาแสดงอาการไม่ดีเราก็เราก็รู้ว่าเขาเราก็คิดว่าเขาไม่ดีถ้าเขาทําดีแล้วก็คิดว่าเขาทําดีควรจะดูตามความเป็นจริงอย่าดูตามอรคติของเราใจเราเรียกว่ามีอคติไม่ไม่เที่ยงธรรมมีความคิดไม่ดีต่อผู้อื่นอันนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องใช้เหตุผลใช้ความจริงดูว่าเขาไม่ดีจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ควรจะเลิกความคิดของเรา ดูความจริงของเขาเท่านั้นเองไม่บาปเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราหลงจะทาให้เราเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าดีก็ได้เห็นสิ่งที่ดีว่าไม่ดีก็ได้บางคนมีอคติต่พอพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นแล้วก็ไม่ชอบเห็นว่าไม่ดีอันนี้เขาก็จะไม่เข้าหาพระพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากของที่ดี ไม่มีอะไรดีเท่ากับพระพระอริยสงฆ์หรอกแต่ถ้าไปเห็นว่าพระอริยสงฆ์ไม่ดีก็ช่วยไม่ได้ก็จะไม่เข้าหาพระอริยสงฆ์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระอริยสงฆ์เท่านั้นเองอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ